คำจํา้วยยังเก่งเก่งมากทีเดียดววัยท่านตอนที่เราก็อยู่กับท่านก็ดุม้มจะวัยเจ็ดปีสองเจ็ดีสามแล้วเราก็ไปอยู่กับท่านก็บแปดปีพ อ, พอย่างก็แปดสิบท่านก็มองหน้าพ้ามันก็เป็นไปตามที่ท่านกำหนดไว้ทุกอย่าง ท่านบอกไว้ล่วงหน้าลุ้ ม, มสี่ปียังไงถ้าที่ผมจำได้ก็จะว่าสี่ปีท่านบอกว่าอายุของท่านไม่เลยแปดสิบท่านบอก่ะเหตุที่ท่านจะบอกอนี็เพราะการอบรมสั่งสอนด้วยความเป็นห่วงหมู่เพื่อนนัเองลูกสิลูกหาในทางกานตั้งออกตั้งใจงวิปปฎิบัติธนวาการแก้ทางด้านจิตใจนี่แก้ยาก ถ้าไม่รู้ทางด้านจิจตตภาวนาแล้วแก้กันไม่ได้นะวางกันดันว่าเพราะเรื่องจิตตภาวนาเป็นเรื่องความรู้จริงเห็นจริงไม่ใช่เรื่องความจําะมัน ต, ต่างกันมากสําหรับผู้ที่จะให้อุบายแนะนําสั่งสอนอย่านักจิตภาวนาถ้าไม่จิตภาวนาไม่เป็นไม่รู้ไม่ผ่านไปก่อนแล้วจะสอนไม่ได้กนะัน่ะ สอนให้ถูกต้องตามความจริงจรนะิงน่ะมันสอนไม่ได้สันวะนี่เวลานี้เรายังมีชีวิตอยู่สนนันว่ะเอาใครเป็นยังไงก็ให้มาถามว่าหลกตายแล้วนี่มันยากนะสนนันว่าะเดี๋ยวนี้ไม่นานนะอันนี้ต่อไปนี้ไม่นานนะไม่เลยแปดจีบ น, น, นะฟังดีท่านพูด แล้วไม่รู้กี่ปีละ่ะตั้งแต่นั้นมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งละตั้งแต่ว่านั่นมาเรื่อยๆท่านเตือนด้วยความเป็นห่วงเพว่อันก็ความจําท่านทดีแต่ความจําของเราไม่ดีเลยเสื่อมอมากๆเสียเรารู้ในตัวของเรามันทีมันมันหยุดเฉยๆเหมืนมันไม่คิดไม่ปรุง มันแยบออกไปทางไหนมันก็ไม่รู้เรื่องของสมมุติสูงต่ําสั้นยาวดําขาวอะไรต่างๆอันนี้มันไม่รู้เขาอเล่าเหล่านี้เป็นเรื่องอาการของจิตที่แยบออกไปเช่นที่สูงที่ต่ำอะไรเป็นต้นมันรู้อิจฉัยมันก็ไม่รู้มันมันก็ไม่รู้ว่าสูงต่ําเป็นยังไงรู้อิจฉัยมันไม่ออกเป็นความหมายเรื่รู้อิจฉัย บางทีพอนอนตื่นนี้นมากำหนดดูทิศทางไม่รู้เรื่องเลยมั น, นไม่ออกรู้เฉยเมื่อรู้เฉยมันไม่มีอาการมันมันก็ไม่รู้ว่าเป็นทิศใดทางใดนะครับประการหนึ่งก็พอได้รับท่าบแล้วมั น, นหายเยพราะความจำไม่มันไม่มี มันดับไปพร้อมๆกันซึ่งแต่ก่อนผมก็ไม่เป็นอย่างนี้มีเป็นแล้วชัดเจนทีเดียวเป็นมาลหลายปีแล้วเป็นมันเด่นขัดมาประมาณสามสี่ปีนี่ความจํามีเป็นอาการของจิตเป็นเรื่องของขันท่าไม่ใช่เรื่องของจิตล้วนๆมันอย่างนี้ ว, ว่าขันเรียกว่าหมวดหรือเรีว่ากอง มีห้าคือรูปเร้่องจรูปกายนี้อันหนึ่ง น, นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของขันค่ะเป็นห้าส่วนด้วยกันเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยอาการต่างๆการสุขทุกเฉยเฉยเอลน่นี้ทั้งออกมาจากกายทั้งเป็นออกมาจากกิตก็เป็นขันทั้งนั้น เราจะทราบได้ว่าสุกทุกที่ออกมาจากจิตนี้ปะเป็นขันธ์ก็จิตของคนเท่าธรรมดานเนี่ยจะมีสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาประจำกัดดกนไม่มีเว้นแต่จิตของพระอรหันต์คือจิตของท่านผู้สิ่งกิเลสแล้วไม่มีเหลือเลยเนะฟังคือทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดี อุเปเเกขาเวทนาก็ดีภายในจิตของพระอรหันต์ไม่มีเลยคือไม่มีโดยหลักธรรมชาติแม้จะเสด็จสรรพัญย่อให้มีก็ไม่มีเป็นหลักธรรมชาติที่ว่าหมดจริงๆนั่นอาการของขันทั้งห้านี้จริงไม่ใช่จิตเราได้เราจะทราบได้ชัดชัดตอนนั้นนี่ก็เป็นอันหนึง่งเป็นขันหนึ่งนีะ เวทรียกเวทนาขันสัญญาขันคือความจําได้หมายรู้อันนี้ก็เป็นอาการมาจากจิตถ้าจิตไม่แยกก็จําไม่ได้ถ้าจิตลุย่เฉยไม่มีแยกอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีอาการอาการที่จะเป็นความจําก็ไม่มีจําชื่อจําเสียงจําสิ่งนั้นสิ่ง น, นี้อย่างนี้เป็นต้นนะเอาไม้นี่สัญญาสังขารความคิดความปรุง เวลาไม่คิดสังขารขันก็ไม่มีเนี่ยสังขารอันสําคัญสังขารอันนี้เป็นเป็นสมุทัยก็ได้เป็นมรรคก็ได้ความคิดความปรุงจะเป็นเรื่องเป็นราขึ้นมาเป็นขึ้นมาจากชั้นญาจากสังขารเนี่ยปรุงว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่แหมคือคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อะไรกั้งนี้เพราสังขารความปรุงหังใจ สังขันนี้เป็นได้ทั้งสมูทไทยเป็นได้ทั้งมรรคคิดปรุงในทางที่ดีเป็นอัดเป็นรมก็เรียกว่าสังขารที่เป็นมรรคถ้าคิดปรุงในทางที่ไม่ดี ป, ปรุงในเรื่องในเกี่ยวว่าเรื่องความโลภความโกรธความหลงเกี่ยวว่าเรื่องราคะตัณ ห, หาอันนี้เรียกว่าสมูทไทยความปรุงอันนี้เป็นสมูทไทยวิญญาณความรักทราบ น, นี่เป็นขันที่ห้า เวลาตาลูกเสียงกิ่งรถเครื่องสัมผัสต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมผัสมากับกาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้อันเรียกว่าวิญญาณเพอาะิ่งนั้นดับไปความรับทราบอันนี้ก็ดับไปพร้อมๆกันในขณะเช่นอย่างนี้ตั้งปักหนึ่งก็ดีนแล้วนี่เรียกว่าวิญญาณพอพอเสียงนี้ดับไป ครับความรับทราบอันี้กระดับไปพร้อมๆกันท่านเรียกว่าวิญญาณสังขานคือความคิดอย่างที่ว่าอยู่นี้วิญญาณคือความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายอาการตั้งห้านี่ท่านเรียกว่าขันห้าขันห้านี้เป็นสมมุติโดยตรงแม่พาะอรหันก็มีขันตั้งห้านแต่เป็นแต่เพียงว่า ไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ไม่ซึมซาบภายในจิตใจของท่านเหมือนอย่างสามัญชนเท่านั้นเองสามัญชนเรามันเป็นอเหมือนก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ทราบนี่ถ้า ม, มีท่านผู้รู้เรื่องของของจิตล้้วนกับขันลน้ล้วนได้แก่พระรหันคือพระพุทธเจ้าของเรามาแยกมาแยกอย่างนี้จะไม่มีใครมีโอกาสได้ทราบเลยว่าขันเป็นยังไงจิตเป็นยังไง เพราะอันนี้มันสุดวิสัยที่เราจะทราบได้ในปุถุชนเราขันห้ากับจิตต้องเป็นผู้ที่ผ่านขันห้าพ้นขันห้าไปแล้วรู้ทั้งจิตที่บริสุทธิ์รู้ทั้งอาการของสิ่งเหล่านี้ที่อาศัยอยู่กับจิตจิตอาศัยกับสิ่งเหล่านี้โดยสมบุรณ์แล้วจึงจะพูดได้เอยากเข้าใจว่าการพูดขันห้าด้วยความเข้าใจ ว่าเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมโดยไม่ต้องศึกษานั้นจะเป็นไปได้เลยไม่เป็นไปได้เป็นไปไได้ต้องมีผู้รู้มาก่อนสอนเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาของเรานี้ละเอียดมากที่สุดเลยไม่มีอะไรต้องตินี่จึงเป็นควาจึงเป็นศาสนาที่รู้แท้เห็นแท้จริงแท้ทุกอย่างออกมาจากความรู้สึกจริงใจบริสุทธิ์จริง บุ้ชนราธรรมดามันสามารถโดยเฉพาะคำว่าขันห้ากับกิ่นเนี่ยจะไม่มีใครสามารถพูดได้ด้วยความรู้ของตัวเองเลยถ้าไม่รับการศึกษาอบรมจากศาสนธรรมเช่นพุทศาสนาเป็นต้นก่อน เกิจจิงเป็นเรื่องที่ละเอียดมากที่สุดกิดกับกิเลสละเอียดพอๆกันกับธรรมในสามอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเราจะพูดในขั้นสุดท้ายแล้วก็คือธรรมละเอียดที่สุดไม่มีอะไรเกินธรรมเพราะฉะนั้นธรรมจึงปราบกิเลสได้ถ้าธรรมไม่ละเอียดไม่เหนือกิเลสแล้วจะปราบกิเลสไม่ได้จะไม่รู้เรื่องของกิเลสเลยว่าเป็นอย่างไรภายในจิตใจนั่นแหละ จิตก็เหมือนกับควายตัวหนึ่งนั่นเองพูดง่ายๆนะจูงไปไหนก็ไปจะจูงเข้าไปทําไรใส่นาใส่ลอ้อใส่เกียนก็ไปจูงไปฆ่ามันก็ไม่รู้จีตตัวหนึ่งอย่างนั้นนี่ยที่จูงถูกจูงผู้จูงไปนั้นก็คือกิเลสทำหนึ่งเป็นเครื่องจูงจูงจิตเพราะฉะนั้นทําจิตจริงต้องมีเจ้าของเป็นผู้รักษามีสติปัญญาเป็นเจ้าของ คนไม่มีสติไม่มีปัญญามีแต่ความรู้อย่างเดียวไม่มีผู้มารับผิดชอบไม่มีผู้มาเป็นเจ้าของก็เช่นเดียวกับคนบ้าเดินเหินไปที่ไหนไหนไม่ส้นใจว่าตนได้เดินไปไหนตนได้นั่งที่ไหนแม่ที่สุดในสีแยกถนนแห่งถนนมันก็เป็นนั่งอยู่ได้สบายๆคนบ้าเราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาด้วยกันทุกคนไม่เป็นที่สงสัยนั่นละมีแต่ความรู้เป็นอย่างนั้นเองนนะกิดอ่ะ คือจิตไม่มีเจ้าของผู้รับทราบเมื่มีอันหนึ่งที่ทจูงไปมีจป่จึงเป็นเหมือนกับว่าควายนั่นเองแหะจิตตรงนั้นสิ่งที่จูงไปนั้นอ่ะทั้งๆที่เป็นบ้าแล้วมีอะไรจูงไปนั่นก็คืออกิเลสที่ทำคนให้เป็นบ้าทําสัตว์ให้เป็นบ้านี่ะมันเป็นมากๆเข้าไปมันก็จูงไปแบบนั้นถ้าไม่ถึงขนาดนั้นก็เหมือ น, ละละ น, นเราท่านๆกิเลสก็จูงเหมือนกันนี่เราอย่เข้าใจว่ากิเลสไม่จูงเลยนะในจูงประเภท ธ, ธรรมดา คนบ้าในจูงประเภทถึงขั้นบ้าแล้วก็ดูเอานั่นนั่นมันมีอันหนึ่งอยู่นั่ะอยู่นัในเหนือนั่นเหนือจิตนั่นขนาดทาคนให้เป็นบ้าเลยล่ะ น, นั่นกับกิเลสแหละเป็นผู้ทํายาว่าเขา้าใจว่าอะไรพาทำเพราะกิเลสเป็นผู้ให้ทํากรรมจนเกิดเป็นเป็นบ้าเพราะอานาจแห่งกรรมของเขากรรมขเขาอะไรเป็นผู้พาให้ทากิเลสสวัดว่าอย่างไรนั่นกิเลสสวดัดกรรมวัฏวิปปะ ก, กวดัดคือกิเลส เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหายได้ทํากรรมนะเมื่อทํากรรมแล้วผลย่อมเกิดขึ้นนั่นถึงจะว่าเสวยกรรมก็าตางก็เป็นเรื่องของที่ในขณะที่มันเป็นบ้าที่ก็จูงอยู่นั่นเองละ่ะนี่แหละเจ้าของมันอันหนึ่งเมื่อมือสติเ ข, ข้ามาความเป็นบ้านนั้นก็ค่อยหายายไปมีสติมากความเป็นบ้านนั้นก็หายกลายมาเป็นคนธรรมดาเหล่านี้ไม่ใช่คนบ้าคนบ้ากับคนธรรมดาผิด ก, กันนั่นกะ็คนไม่เป็นบ้าผิด ก, กันนะ่ะ นี่เราเป็นประเภทประเภทเปน็นชั้นๆอย่างนี้ทีนี้เมื่อมีสติปัญญาเต็มที่สามารถชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในตัวเองได้จากที่เหลือประเภทนั้นๆตั้งแต่หยาบจนขั้นถึงขั้นละเอียดสุดของที่เหลือด้วยอำนาจของธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสาคัญชำระจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นเป็นสิ่งทีบริสุทธิ์ที่สุด อันธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นแหละเรียกกิดแท้ที่นี่ทําแท้ก็อยู่ตรงนั้นแหละหมดหมดที่จะทักจะจูงเลยที่นี่นไม่มีหน้าที่ จ, จงูงทําจงูงทําไม่บีบไม่ปะบังคับทําไม่ยึดถือนี่เลย กิเลสบีบเพกิเลสเป็นเจ้าของกิเลสบีบกิเลสบับบงคับหรือมีความยึดถือต่างกันทําเป็นเจ้าของไม่มีคําว่ายึดคําว่าถืออย่างขันห้างนี่พระอรหันต์ถ้าไม่ยึดคือเป็นโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่คําบังคับให้ยึดนะเป็นโดยหลักธรรมชาติทั้งหลับทั้งตื่น เป็นคนละวัคละตอนอยู่อย่างนั้นตลอดไปเลยทีเดียวอย่างี้เนี่ยบะขันอิทธิบริสุทธิ์ต่างอะไรอย่าั้นคือเป็นในหลกธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระทหารจะตายในอียาบทใดท่าใดก็ตามจึงไม่มีปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อความมุสู่ของท่านเลยและต่อคติของท่านที่ว่าจะเป็นไปยังไงต่อไงก็เป็นพระรหารนั่นเองจะว่า ง, งนะไไม่มีละคํายอดเป็นอุปสรรค นึ่เกี่ยวกับเรื่องการตายท่านจะนั่งตายยืนตายเดินตายนอนตายอะไรไม่มียู่หาเพราะนี้เป็นอาการของขันแสดงตัวเท่านั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ก็คือที่บริสุทธิ์อยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะมาแสดงอาการต่างๆแบบแปลกๆต่างๆเหมือนสมมตินี่เลยนิย่เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ตายตัวเนื้อโตเที่ยงฉะ น, นั้นก็บอกว่านิพานเที่ยงอะ น, นี้อืมเอาละนี่เรื่อง พอแที่ห้าเราลองจะห้าแล้วนี่